เหมือนกังสดานปากขาดพระพุทธภาสิตมาโมจะพระรสร้างกัญจิอุตตาปฏิวะเลยยุตังลูกข้าหิซารัมพระกาท่าปฏิดานดาอุเคยุตังสเจนเรเอสิเนเรสิอันตานังกังโซอุปหโอยะธาเอสสะปโตสินิพานังสารัมโพเตนวิชติแปลความว่ า, วา ท่านอย่ากล่าวคำหยาบ ก, กับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะพึงด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆก็จะพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้วันไหวคืออยู่อย่างสงบสงเงยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกลางสดานที่ปากขาดเชลแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่าน อธิบายความคำหยาบนั้นคือคำที่ออกมาจากจิตหยาบกล่าวขณะที่จิตมีโทสะหรือโมหะกล่าวมุ่งร้ายให้โทษแก่ผู้อื่นฟังแล้วกว่อความสะเทือนใจไม่เพลาะหูลักษณะของคำหยาบเช่นคำดา่าคำเสียสีคำกระทบกระเทียเปเลยเปลยคำประชดคำหยาบโลนท่านผู้อ่านคงเข้าใจลักษณะคำเหล่านี้ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่จาเป็นต้องอธิบายรายละเอียด คำทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าคำหยาบคำด่านั้นกดให้เขาต่ำลงเช่นว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นต้นคำเสียสีคือคำพูดที่ผู้ฟังฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงตนแม้ไม่ได้ออกชื่อโดยตรงคำกระทบกระที่เปรียบเลยคือการนำเอาสิ่งอื่นมาเปรียบให้ผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึงตน ฉันจะเปรียบเทยกับคนหัวล้านก็พูดถึงสิ่งล้อเลียนอื่นๆเป็นต้นคำประชดคือการยกให้สูงเกินจริงแต่เจตนาแฝงไว้ด้วยการดูหมิน่นนาำเสียงเขาบอกว่าไม่ได้ยกย่องจริงคำหยาบโลนคือคำพูดอันไม่สุภาพสองแง่สองง่ามคิดได้หลายทางแต่ส่วนมากมุ่งไปทางเพศโดยเฉพาะอาวัยวะเพศและการประกอบกิจทางเพศคำหยาบที่พระศาสนาตรัส ในพระกถานี้ไม่เอาคำด่าเพราะในท้องเรื่องภิกษุด่ากันว่าทัานทุศีลอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระศาสดาทรงโอวาทว่าอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเพราะจะได้รับคำหยาบตอบมาเหมือนกันเข้าทํานองลาภติหันตาหันตารังเชตารังลาภติชยะอักโกสะโกจะอักโกสั่งโรเสินตารันจะโรสโก ผู้ค่าย่อมได้รับการข่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบและผู้ไหว่ ย, ย่อมได้รับการไหวต้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบในบทที่สามตรัสว่าการกล่าวแข่งดีการเป็นเหต human, หุให้เกิดทุกข์การกล่าวแข่งดีคือการพูดอวดกันว่าใครจะพูดได้มากกว่า ใครจะด่าได้แรงกว่าใครจะขุดเอาความชั่วของฝ่ายปรปักมากล่าวได้มากกว่าหากความร้ายของเขาไม่พอก็าหาใส่เข้าบ้างเรียกว่าใส่ร้ายหากยังดำไม่พอก็ป้ายสีเข้าไ ป, าไปเรียกว่าพ่ายสีเพื่อให้ฟังดูรุนแรงเข้มข้นขึ้นเมื่อทั้งฝ่ายทันแข่งกันในเรื่องนี้การใส่ร้ายป้ายสีกันก็รุนแรงขึ้นเหมือนเอาโคลนสาสเข้าหากันย่อมจะแปรเปื้อนกันฝ่ายละมากๆ คนรู้ก็ชอบใจแต่ความย่อยยับตกอยู่แก่คนทะเลาะกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุชาวมุนโคลสัมภิว่าะเรจนะนาวิชานันติมยเมตทะยามามะเซเยจะตัถาวิชานันติตะโตซัมมันติเมทะคาคนพวกอื่นย่อมไม่รู้ดอกว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสรงนี้พวกได้รู้ความหมายมั่นของคนพวกนั้นย่อมสรงปรง คือรู้ว่าเมื่อทะเลาะกันสา์โคลนขา้หากันก็มีแต่ความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดีแต่วิสัยโลกยากเหลือเกินที่จะให้คนกลมเปรียวกันได้ทั้งหมดเพราะต่างคนต่างจังมีกิเลสกันอยู่หน้าของบางคนไม่ถูกกับตาของบางคนเสียงของบางคนไม่ถูกหูของคนบางคนท่าทางของบางคนไม่ถูกใจของคนบางคนมีการมันไส้กันบ้างการกระเทกันบ้าง เห็นมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าในสังคมใดที่คนในสังคมยังมีกีเลสอยู่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมั่นคงสงบปากสงบเสียงคู่ต น, นเสียคําด่าว่าใส่ร้ายป้ายสียก็จะสงบไปเองใครจะไปยืนตะโกนดา่าภูเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันหนึ่งทรงเตือนให้สงบปากเสียงเหมือนกลังสดานปาดขาดตีไม่ดังกลังสดานหรือเครขึ้นดนตรีประเภท กรองตะโพนที่เขาชอบตีก็เพราะทีนล้วมันดังทดลองตีดูทีสองทีมันไม่ดังใครก็มาอยากตีมันอีกเมื่อทําได้ดังนี้คําพูดแสดงการแข่งดีก็จะไม่มีใจสงบเพราะมีความมั่นคงเป็นพื้นฐานย่อมบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยากเพราะท่านว่าใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงสมาฮิโตยะท่าภูตังประชานาติ พระพุทธเจ้าทรงย้ำแก่ภิกษุพุทธสาวกเสมอว่าอย่า ก, กล่าวคถาอันเป็นเหตุโตเถียงทะเลวิวาทกันแต่ j o กล่าวคาถาอันประกอบด้วยองคศิตคือคาถาวัตถุศิตรือกล่าวถึงเรื่องทานศีลเรื่องความสันโดดมักน้อยความเพียรปัญญาวิมุตติวิมุตติยา น, นทัศนะการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและความวิเวกคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไปไม่ควรกล่าวกถานั้นคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อคุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นควรกล่าวคาถานนั้นนี่กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระโกนทานมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระโกนทานเถระดำเนินกล่าวว่าตั้งแต่พระโกนทานบวชวันแรกทีเดียว มีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งคนอื่นๆเห็นแต่ท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริงแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านเคยทํามาเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายทิกษาแก่ท่านสองส่วนพร้อมพูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสหายของท่านถามว่าท่านเคยทํากรรมอะไรมาจึงเกิดมีภาพหล่อเกิดขึ้นเช่นนั้น เรื่องต่อไปนี้เป็นคําตอบปุพปกรรมของพระคกลทธานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนาว า, าศกภิกษุสองรูปเป็นสหายกันกลมเกลียวกันเอื้อเฟื้อกันเสมือนหนึ่งว่าเกิดจากันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประชนมายุยืนภิกษุสาวกของพระองค์ร่วมประชุมกันทําอุโบสถปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆุห ก, กเดือน วันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ด้วยจังใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถในระหว่างทางภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทำสรีรกิจเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้ขณะนั้นเทวนาผู้เกิดในดาวดึงท่านหนึ่งเห็นภิกษุทั้งสองรูปนั้นกลมเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนจึงรีบลงมา ปลอมเพจเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเมื่อพิสุทําศรีรกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงงามเดินออกมาจากผู้ไม้ด้วย ท, ทําทีเป็นกล้าวมวยผมและจัดผนุงให้เรียบร้อยภิกษุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่คอยอยู่เห็นเทวดารู้ว่าพิสุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วก็หายไปเมื่อพิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้พิกษุผู้รอคอยได้กล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุ ศีลของท่านวิบัติเสร็จแล้วทําไมหรือท่านอีกรูปหนึ่งสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้ทํากรรมอันใดอันเป็นเหตุให้ศีลวิบัติเลยท่านไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าเห็นอีกรูปหนึ่งพูดข้าพเจ้าเห็นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเดินตามหลังท่านออกมาจากพุ่มไม้เธอกล้าวผมเสใหม่และจัดแจงผ้าหนุ่งให้เรียบร้อยการเข้าไปของท่านข้ไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาอาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไร นอกจากสิลของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านอย่าปฏิเสธเลยข้าพเจ้าเห็นกับตาเองภิกษุนั้นฟังแล้วมีอาการเสมือนหนึ่งว่าสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมกล่าววิงวอนขอความเห็นใจว่าท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องวิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้ทํากรรมอย่างนั้นจริงๆแต่ภิกษุผู้สหายหาฟังไม่แต่กันต่างคนต่างแยกกันไปเมื่อถึงโรงอุโบสถ ภิกษุผู้เห็นไม่ปรารถนาทำอุโบสถร่วมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีศีลเสียแล้วเธอได้บอกแก่สงฆ์ในชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนภิกษุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์ว่ามิได้ทำคำอย่างนั้นมองไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของทนแม้เท่ า, มาเมล็กนาจึงอ้อนวอนขอความเห็นใจาจากสงฆ์ เทวดาเห็นเรื่องเลยไปถึงอย่างนั้นจึงร้อนตัวกลัวกรรมจึงยืนอยู่ในอากาศประกาศความที่ตนต้องการทดลองความสามกีของท่านทั้งสองแล้วปลอมเพศเป็นสตรีมาทำอาการอย่างนั้นขอท่านทั้งสองจงทำอุโบสถร่วมกันเถิดภิกษุผู้เห็นจึงยอมทำอุโบสถร่วมแต่ความสนิทคิดเชือ่อมิได้เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อสิ้นอายุพระภิกษุทั้งสองบังเกิดในเทวโลก ฝ่ายเทวดาจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในเอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่ในเอเวจีพุทธันดอนหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยได้บรรพชาอุปสมบทจำเดิมแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีปรากฏขึ้นตามไปเบื้องหลังของท่านภิกษุทั้งหลายจึงเรียกทันว่าโกนททานภิกษุทั้งหลายเห็นพระโกททานเที่ยวไปอย่างนั้น คือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงรังเกียจฟ้องอนาถปินดิกะเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันให้ไหล่พระโกนทสานออกเสียจากวิหารคือที่อยู่เศรษฐีถามว่าข้อพระาศาสดาประทับอยู่มิใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศรษฐีจึงตอบพระทั้งหลายว่าถ้าหล่านั้นพระาศาสดาคงจะทรงทราบดีภิกษุทั้งหลายได้ฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุพารามอย่างนั้นเหมือนกัน นางได้ตอบเช่นเดียวกับอนาถาปินิกาเศรษฐีภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าเปรติโกศลว่าภิกษุชื่อกวนสถานเที่ยวไปโดยมีสตรีตามหลังอยู่เสมออย่างความเสียให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทุกรูปขอพระองค์จงไล่ภิกษุนั้นออกเสียจากแวนพระเจ้าประเปรธิเสด็จมายังเชตวนารามพร้อมด้วยขาราชบริพานจำนวนมากให้ราชบริพรล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระกวนสถานไว้ ทรงผินประพักตรงไปยังด้านหน้าของกุตินั้นพระเถระได้ยินเสียงอึง้งขึนึจึงออกมายืนอยู่เบื้องหลังของท่านพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับนั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ไม่ได้ทรงประของอัญเชลีไม่ได้ทอดพระเนตเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใต้เตียงก็ไม่ได้ทรงเห็นจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญ ขาา้าพเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังท่านขณะที่ท่านยืนที่หนามุกอีกบัดนี้สตรีนั้นไปไหนเสียถวายพระพอรอาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระทูลตอบเมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงนิมนุนให้ท่านลองไปยืนที่นามโมกอีกมีสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่าน พระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเถระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็หายไปพระราชาให้คนดูทุกแห่งก็ไม่พบสตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าโปรดบอกเถิด อ, อัตมาภาพไม่เห็นมหาบาพิตรแต่ข้าพเจ้าเห็นอยู่สักครู่นี้เองขอถวายพระพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันแต่อัตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาจึงขอให้พระเถระ ลองไปยืนรู้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั่นอีกคราวนี้ทรงแน่พระไถยว่าเป็นผ้าปลอกหาใช่สตรีจริงไม่จึงกรัดกับพระเถระด้วยความกรุณาว่าพระคุณเจ้าการที่มีรูปอันเศร้าหมองแก่สมณะเพศเที่ยวติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไหมคนทั้งหลายจากไม่ถวายภิกษาแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังหนึ่งนิดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้า ดังนี้แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วพลทนาว่ารูเถิดผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาลามกได้บวรณาพระโกลทฐานด้วยปัจจัยสีแทนการไล่ออกจากวิหารภิกษุทั้งหลายเมื่อพบพระโกลทฐานก็เรียกว่าเฮ้ยพระทุศินบัด น, นี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วพระโกลทาน ก่อนนี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้อตอบใครเลยบัดนี้ได้พระราชาเป็นกำลังสนับสนุนกำเริบใจขึ้นในคกล่าวโต้อตอบพิสุทั้งหลายว่าพวกท่านนั่นแหละเป็นพวกทุสินพวกท่านเป็นคนชั่วช้าและพวกท่านพาผู้หญิงเที่ยวไปพิสุทั้งหลายนำความนั้นกล่าบทูลพระาศาสดาพระสุคตเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตรัสถามพระโคนทฐานก่อนว่าทาไมจึงพูดอย่างนั้น พภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเหตุไรพวกเธอจึงว่าโกนเถรานพระศาสนาตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพราะข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งตามหลังพระโกนเถรานอยู่เสมอพระเจ้าข้าพระศาสนาจึงตรัสกับพระโกนเถรานว่าภิกษุเหล่านั้นเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเลยเหตุฉนัยจึงไปด่าว่าเขา การที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้นเพราะกรรมอลามมของเธอในอดีตเหตุฉะไหนในบัดนี้จึงถือทิ่ฐิชั่วอีกเล่าพิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพิกษุชื่อควรสถานได้ทำกรรมอะไรไว้พระศาสดาทรงสแสดงปุกปรกรรมของท่านในสมัยเป็นเทวดาแล้วตรดเตือนพระควรสถานว่าเธออาศัยกรรมอันชั่วชาของตนจึงได้รับผลอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้ว บัดนี้การถือทิฏฐิชั่วหาควรไม่เธอยาวว่ากล่าวโตเถียงรีสุทั้งหลายอีกจงสงบปากสงบคำเหมือนกังสดานที่เขาเลาะเอาปากออกอยแล้วเมื่อทำได้ดังนี้เธอจะบรรลุนิพพานพระศาสดาทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกั น, นั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆ พึงหัวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทําตนไม่ให้วันไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านดังนี้มีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นพระโกนทฐานตั้งอยู่ในโอวาที่พระศาสดาทรงประทานแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลต่อมา ได้รับยกย่องจากพระาศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการจับสลกักคำพีมโนรถปุรณีอัฐกถาอังคุตรนิกายเล่มหนึ่งหน้าสอง้แดสิบสามได้กล่าวไว้ว่าพระกกนทธานจับฉลากได้ที่หนึ่งถึงสามครั้งคือหนึ่งเมื่อพระาศาสดาเสด็จไปสู่อุกคนครในกิจนิมล์ของนางมหาสุภธาสอง เมื่อพระาศาสดาเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัฏาสามเมื่อพระาศาสดาเสด็จไปสู่ตุนาปรันตะชนบทกิจนิมนต์เหล่านี้ต้องการพระอรหันต์ขีนาสบลล้วนห้าร้อยรูปแต่พระอรหันต์มีมากด้วยกันจึงต้องจับฉลาดพระโขนทธานได้เป็นที่หนึ่งเสมอ